ไปมาจากมหาสาครคามเป็นรถจอดอยู่งหน้าบาอคนก่าว่าว่าทำไมไม่เทศสาวกิตจะได้มาฟังง่ายหลวงพ่อมาไม่ได้มาตั้งใจมาเทศออกมากราบท่าอุปชาธรรมเนียมของพระก่อนจะเข้าภรรษาและก่อนเข้าพรรษาไปกราบครูบาทาจาก ในษอดีท่านไม่ค่อยว่างสาอาทิตย์มันว่างในวันธรรมดาว่างคำ่คำๆท่านก็เพิ่งไประยองเพกลับมายังเหนื่อยอยู่หลวงพ่อเลยท้อประเทศวันธรรมดาวันช่ำพวกเราบางคนลำบากหน่อยที่มาไกลๆแต่ถ้าเราคิดถึงว่าเรามาฟังธรรมะ เราเข้าใจธรรมะเราจะรู้ว่าลำบากแค่นี้น้อยนิดเดียวการที่จะเข้าใจธรรมะนะเป็นเรื่องที่กำไรเป็นกำไรของชีวิตอย่างยิ่งเลยคนในโลกมีทั้งมากมายไก่กอง น, นะคนที่จะสนใจศึกษาธรรมะมีไม่มากหรอกในบรรดาคนที่สนใจศึกษาธรรมะนะี ที่จะได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติจริงๆก็ไม่มากเท่าไหร่พวกเราได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติแล้วเอาไปตั้งใจปฏิบัติเอาถ้าเราเข้าใจธรรมะภาคปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่รมจิตใจเราจะพัฒนาไปเราจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขอันมหาศาลเลจะรู้สึกเลยว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยมันคุ้มค่า ไม่ใช่เกิดมาเปล่าๆ เ, เกิดมาแล้วไปแก่เจ็บตายไปเปล่าๆแต่ชีวิตที่มันมีธรร ม, มะยิ่งเราได้ศึกษาธรร ม, มะเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเรามีโอกาสที่จะได้รับสัมผัสความสุขทางจิตใจได้นานบางคนก็ไปคิดว่ารอให้แก่ก่อนถึงจะปฏิบัติเพราะนั้นเข้าใจผิดแล้วเสียโอกาส การปฏิบัติธรรมนั้นมันไม่ใช่เรื่องถูกยากอะไรเป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจนะทําได้นะเรามีความสุขเรื่องอะไรจะต้องรอให้แก่แล้วถึงจะมีความสุขเรามาฝึกตั้งแต่เด็กๆก็ยิ่งดีนะหรือตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวยิ่งดีหลวงพ่อก็หัดมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบพอน้ำมาไม่เลิกเลยแต่ว่าเบื้องต้นก็ทําได้แค่ความสงบ มาเจอหลวงปู่ดูลยะตอนนั้นหลวงพ่ออายุทังยี่ิบเก้าแล้วถึงมาเจอหลวงปู่ดูลถึงได้รับคำสอนการปฏิบัติในขั้นที่สูงขึ้นมาการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการพัฒนาจิตใจของเราเองการพัฒนาจิตใจนั้นมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีความสุขมีความสงบมีคุณงามความดี อันนี้เรียกว่าการทำสมถกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจให้เกิดความรอบรู้ความฉลาดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือในกายในใจถ้าเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยึดสิ่งใดในโลกเราจะสัมผัสความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขที่อศัศจรรย์ที่สุดเลยความสุขในโลกที่เราเคยรู้จักเนี่ยมความสุขเล็กน้อยมากเลย อย่างความสุขที่พวกเราแสวงหากันนะไปดูรูปสวยๆไปฟังเสียงเลอบๆไปได้กลิ่นหอมๆยินของอร่อยสัมผัสอะไรที่นุ่มนวลอ่อนโยนมีความสุขความสุขอย่างนี้ความสุขเล็กน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับความสุขของการฝึกจิตให้สงบและความสุขของการฝึกจิตให้สงบเนี่ยก็ อ, อย่างเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับความสุขที่เกิดจากการเจริญปัญญาจะเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของธาตุของขันมันเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนมันจะปลิวลงมาไหม <c oughs> ใครจิตออกนอกบ้างยกมือซีไว้กี้ใครจิตไปอยู่ที่พัดลมเห็นไหมไม่ยากอะไรนะจิตเราไหลไปให้รู้ทันเท่านะั้นการที่เราคอยรู้ทัน ได้ๆจิตนี้ไปรู้ทันเราจะได้ความสงบแล้วก็ค่อยๆดูใจสงบใจตั้งมั่นแล้วก็ค่อยเจริญปัญญาดังั้นวันนี้หลวกพ่จะพูดสองเรื่องนี้เท่านั้นวิธีพัฒนาจิตใจยังไงให้มีความสุขความสงบแับวิธีพัฒนาจิตใจให้เกิดสติเกิดปัญญาถ้าเรามีความสงบนะเราก็จะมีความสุขมากมายแล้ว ถ้าเกิดสติเกิดปัญญาอย่างแท้จริงจิตปล่อยวางความยึดถือใจยึดถือใจเป็นลำดับลำดับไปเรายิ่งมีความสุขนันมหาศาลเลยความสุขแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยนั้นงานสองงานนะในทางพระศาสนานการทำสมำถกรรมฐานการวิปัสสนากรรมฐานแต่เดิมสักสามสิบปีก่อนนะไปที่ไหนก็มีคนนั่งสมาธิเยอะเลยส่วนใหญ่นั่งแล้วทาความสงบเฉย ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ได้สมถนะคนที่จะขึ้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานจริงๆจน จ, จ, จ, จะเกิดมรรคเกิดผลอะไรนะหายากทำสมถะทำความสงบจิตนนะั้ไม่เกิดมรรคเกิดผลหรอกไม่เกิดมรรคผลได้นะสัมผัสพระนิพพานได้ต้องเจริญปัญญาพุทธเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ถึงด้วยสมาธิแต่ว่าสมาธิมันก็มีประโยชน์ ใจเราสงบใจเรามีความสุขมีเครี่ยวมีแรงที่จะเจริญปัญญายพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธการฝึกสมถะกรรมฐานท่านก็สอนให้ทำํำสมถะกรรมฐานในในตำรามีทั้งสี่สิบอย่างเพ่งกระสินนั่นสิบอย่างนะกระสินสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเพ่งแสงสว่างเพ่งช่องว่างเพ่งอะไรต่ออะไรมีทั้งหลายแบบเพ่งดินเพ่งน้ําเพ่งไฟเพ่งลม ได้หลายอย่างเพ่งอะไรนะใจก็สงบอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ได้สมถนะกรรมฐานที่จะใช้ทําให้จิตสงบนะในตําราแยกไว้สี่สิบชนิดอย่างการที่มีสติระละรึก ถ, ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระละรึก ถ, ถึงทานระลึกถึงศีลที่เรารักษาแล้วด้วยดีระลึกถึงความสงบระลึกถึงร่างกาย ะระลึกถึงลมหายใจะระลึกถึงความตายอะไยถ้าใจเราะระลึกในสิ่งอย่างนี้สิบอย่างนะใจก็สงบยังมันมีเยอะแยะเลยวิธีที่จะให้ใจสงบนี่บางทีเราก็สงสัยเราเข้าสำนักนี้เขาก็สอนให้ทำกรรมฐานอย่างนี้ไปเข้าอีกสำนักหนึ่งเขาสอนกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งฟังไปฟังมานะทำไม่ได้สั้นถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเนะี่ยกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ มันเหมือนเหมือนกันหมดอะหลักของการทําจิตให้สงบนะเราต้องมารู้ก่อนว่าทําไมจิตถึงไม่สงบจิตที่มันไม่สงบเนี่ยเพราะมันฟุ้งซ่านไปมันฟุ้งไปวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรถวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดเล่นปรุงแต่งทางใจจิตเราวิ่งพล่านไปทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นแก่ใจทั้งวันทั้งวันการที่จิตมันวิ่งพล่าน ไปทางตาปูจมูกลิ้นใ จ, ใ, จใจตลอดเวลาเนี่มันไม่เคยสงบเลยมันวิ่งตลอดเวลาอย่างบางทีเราก็วิ่งไปหาความสุขด้วยการดูดูหนังดูหนังตอนก็นึกว่า ม, มีความสุขนะเสร็จแล้วมันก็ไม่สุขต้องไปฟังเพลงต่อไปฟังเพลงแล้วมันก็ไม่สุขต้องไปหาอะไรกินอร่อยๆเนีย่ยเที่ยวหาความสุขไปด้วยจิตเที่ยวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะ วิ่งพลานพลานบางทีก็ห น, นีไปคิดอะไรที่สนุกสนานเพลิดเพลินการที่จิตเราวิ่งไปทางสวารทั้งหกเนี่ยมันวิ่งไปหาความสุขมันวิ่งหนีความทุกข์จะวิ่งไปทางไหนก็วิ่งไปหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์เหมือนกันทั้งหมดเลยการที่จะมาฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวนะวถ้าเรารู้หลักรู้เคล็ดลับแนละ้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากจิตมันฟุ้งซ่านไปทางสวารทั้งหกได้ก็มันหาความสุขงั้นเราก็มาเลือกกรรมฐานนะ เรามาดูตัวเองเราไม่ดูคนอื่นหรอกต้องมาศึกษามาสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขเรากอยู่กับกรรมฐานอย่างนั้นคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็อนยะู่กับลมหายใจคนไหนดูท้องฟองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องฟองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมไป เมื่อจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะมันจะไม่วิ่งคลัางไปในอารมณ์ทางทะวนันทั้งหกแล้วจะอยู่ที่เดียวจิตก็อยู่เป็นหนึ่งนะอารมณ์ก็เป็นหนึ่งอยู่ได้กันอย้าสงบนั่นได้ได้ความสงบนะเรียกว่าได้ทําสมถกรรมฐานแล้วนั่นเราต้องมาสังเกตตัวเองเราไม่ได้เลือกกรรมฐานตามอาจารย์อย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะฝึกอนาปนสาติฝึกรู้ลมหายใจหลวงพ่อไม่ได้สอนอานาปนสติกับลูกศิษย์ทุกคน บางคนก็สอนอนาพนสตมบางคนก็สอนอย่างอื่นคนให้พุโทโธบางคนพิจรนารณาร่างกายพิจรนารณากระดูกนะแต่ละคนไม่เหมือนกันคือเราต้องมาดูตัวเราเองว่าจิตใจเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนเรามีความสุขเนะลยเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นเรื่อยๆวันไหนพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะจิตมันมีความสุขมันก็ไม่วิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ความสงบ คนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจจิตก็ไม่วิ่งคลานไปหาความสุขที่อื่นจิตมันเหมือนเด็กเที่ยววิ่งหาความสนุกสนานเพลิดเพลินออกไปเที่ยวนอกบ้านผู้ใหญ่จะเอาไม้ไปไล่ตีมันนะมันเข้ามาเดี๋ยวเปลือกเมล็ดมันหนีอีกถ้าผู้ใหญ่ฉลาดจะหาสิ่งที่เด็กมันชอบมันล่อให้มันเด็กมันอยู่บ้านไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นเด็กมันชอบกินขนมหาขนมมาไว้ในบ้านมก็ไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวมันกลับมากินขนม ชอบดูการ์ตูนะ้็มีการ์ตูนให้มันดูมันก็ไม่ไม่เที่ยวไกลไกลเดี๋ยวก็กลับมาที่บ้านจิตนี้ก็เหมือนกันเราต้องหาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อเลยจิตจะไม่ไปที่อื่นที่จะกลับบ้านกลับมาอยู่กับตัวเองได้ความสงบนี่เคล็ดลับของการทําสมถะแค่นี้เองรู้จากเรื่องอารมณ์ที่มันมีความสุขต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วยกิเลสเลยถ้าด่าคนอื่นแล้วมีความสุขนะอย่างนี้ไม่ได้หรือบอกว่า เล่นพุ้นมีความสุขนะดูตารางพุ้นทั้งวันเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงใจมันจะแปงขึ้นแปลงลงเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจตลอดเวลาหรือดูฟุตบอลแล้วพนันบอลด้วยนะถอกมีความสุขแล้วเกิดจิตไม่สงบหรอมันมีลุ้นตลอดเวลานะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจแปงขึ้นแปลงลงงี้เราต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขด้วยอารมณ์ที่ไม่ยัว่วกิเลสด้วยเราดูตัวเราเองนะฟุตโต้ก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลย หลพ่อก็ใช้ลมหายใจตอนเด็กๆกรู้ลมหายใจจิตใจมันชอบรู้ลมหายใจไม่หนีไปไหนสงบหยุดแต่พอสงบเนี่มันได้อะไรขึ้นมาได้พักผ่อนจิตใจกับร่างกายไม่เหมือนกันร่างกายยิ่งเคลื่อนไหวนะยิ่งแข็งแรงจิตใจยิ่งนิ่งยิ่งแข็งแรงจิตใจกับร่างกายไม่เหมือนกันถ้าจิตยิ่งสงบนะจิตยิ่งมีพลังเรามาฝึกให้จิตสงบนะเป็นครั้งคราว แลนะ้ข้อดีก็คือจิตใจจะมีเรี่ยวมีแรงมีพลังและจิตฟุ้งซ่างเนีจิตอ่อนแอไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่ข้อเสียของมันก็มีการทําสมถะเนี่ยถ้าเราทําความสงบแล้วเราก็ติดอยู่กับความสงบนั่งสมาธิที่ไหรก็สงบยืนเดินนั่งนอนก็สงบกนะลางวัลสงบก็คือสงบสงบอยู่อย่างนั้นเองไม่ยอมเดินปัญญา ติดอกติดใจแต่ความสุขความสงบของการนั่งสมาธิพวกนี้จะไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานไปเพราะมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดจากการไปนั่งสมาธินานๆแต่เกิดจากการที่เราสามารถเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนะจนหมดความยึดถือใจยึดถือใจได้แลงน้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในพวกเรามารุ่นนี้ดีนะหลวงพ่อชมว่าพี่ติดเท่งนิ่ง น้อยลงไปเยอะเลยสมัยก่อนเยอะนะสม่ก่อนไปที่ไหนเจอแต่คนนั่งเพ่งเอาเพ่งเอาเดินจงกงมงรม่าบังคับใจเครียดเียดแข็งแขงตลอดเวลาอย่างนั้นไม่ดีเลยถ้าใจทำความสงบพอสมควรแล้วนะเราต้องมาหัดเจริญปัญญาให้ได้งานที่สองงานสำคัญการทำสมาธินั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้า ฤศีชีพัยเขาทำมาก่อนเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาก็ไปเรียนนั่งสมาธิกับฤศีแล้วท่านบอกว่าไม่ใช่ทางได้แต่ความสุขความสงบชั่วครั้งชั่วคราวนะเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งซ่านใหม่ล้วสิ่งที่เป็นคําสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่อื่นไม่มีก็คือการเจริญปัญญาหรือการทําวิปัสนากรรมฐานการทํำวิปัสนากรรมฐานเนี่ยคือการหเห็นความจริงวิปัสนา มาจากคาว่าวิปัสสนะปัสสนาคือการเห็นเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของสิ่งซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราตัวเราเราไปดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยกายกับใจนี่เองถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกแล้วในโลกนี้ถ้ามันไม่มีตัวเราเสอย่างเดียวนะใครจะเป็นคนทุกข์มันไม่มีเราเป็นคนทุกข์นะ ยังมีความทุกข์อยู่ในโลกแต่ไม่มีคนที่เข้าไปแปกรับความทุกข์ความทุกข์ก็อยู่ส่วนของความทุกข์แต่ใจที่มันฝึกดีแล้วมันพ้นออกจากโลกแล้วไม่ยึดถือในกายในใจว่าเป็นตัวเราของเราแล้วมันจะหลุดออกไปมันจะไม่ทุกข์ไปกับโลกอีกต่อไปก่อนที่หลวงพ่อจะมาวัดวันนี้นะหลวงพ่อแวะไปเยี่ยมปูบาทนาโงงท่า น, น, นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกัน ท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยท่านบวชใหม่ๆท่านชอบไปแย่หลวงปู่ชอบคิดอะไรที่หลวงปู่ได้ยินท่านก็ต้องดูคืท่านอยากให้หลวงปู่ดูท่านโหลวงปู่จะได้เท่ให้ฟังหลวงปู่เป็นคนที่ไม่พูดนะถามอุปชาหลวงพ่อได้เลยที่ท่านเป็นหลานหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่หลายสิบปีอยู่นานกว่าเพื่อนเลยหลวงปู่มีปกติไม่พูด นี่ท่านบอกว่าท่านอยากให้หลวงปู่เทสให้ฟังท่านต้องยั่ววิธียั่วของท่านนะก่อนท่านจะเข้าไปหาหลวงปู่ท่านก็นั่งนึกในใจไม่ต้องไปพูดยั่วนะท่านบอกท่านนึกในใจว่าโอ้กว่าจะบรรลุธรรมคนหนึ่งคนหนึ่งนะใช้เวลานานอย่างพระพุทธเจ้ากว่าจะบรรลุธรรมนะสร้างบารมีทั้งสี่สงไข่แสนมหากรรภุณโหร่างคงทําไม่ไหวอะไรเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็เข้าไปกล่าว พอหลวงปู่เห็นหน้านะลหลวงปู่ด่าเลยว่าพระผีบ้า <c oughs> คิดไม่ดีถ้าเราเป็นแค่สาวกเนี่ยไม่ต้องบำเพ็ญบารมีนานขนาดนนะั้นท่านเลยเทศให้ฟังท่านบอกว่าหลวงปู่เทศให้ฟังนะแบบท่านจับใจท่านเนยลยหลวงปู่บอกว่ามันไม่ต้องนานเท่าไหร่หรอกถ้าเรามีสตินะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเราดูความจริงในกายในใจนี้เราดูของจริงคือกายกับใจของเรานี่ยแหละ ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์จิตมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเองนี่พวกเราถ้าเป็นแค่ท่าสาวกเนี่ยเรามาคอยดูกายดูใจไม่นานเสียสงไขสัยมาหากับอย่างพระโุถุที่สัตว์หรอกลำพังสาวกเนี่ยใช้เวลาไม่มากนี่หลวงปู่ท่านสอนมาหลายสิบปีก่อนนะท่านก็สอนมาตรงที่ว่าถ้าเราเห็น กายเห็นใจของตัวเองนะเป็นทุกข์เป็นโทษนะไม่ใช่ของดีของพิเศษที่จะปล่อยวางและได้มักได้ผลไปง่าการปฏิบัติที่ในขั้นเจริญปัญญาไม่มีอะไรมากหรอกให้เรามาคอยดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปถ้าเราไม่เห็นความจริงของกายของใจนะเราก็จะคิดว่าร่างกายของเรานี่เป็นของดีของพิเศษน่ารักน่าหวงแขนจิตใจเราก็ดีร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีเลยปล่อยไม่ได้ แต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้ร่างกายนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษมีแต่ความไม่เที่ยงถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใาวเขาเห็นอย่างนี้นะเพียงมุมใดมุมหนึ่งเห็นแค่มันไม่เที่ยงเห็นแค่มันเป็นทุกข์ก็พอนะหรือเห็นอนัตตาก็ได้เพียงมุมใดมุมหนึ่งของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจก็จะปล่อยวางความยึดถือกายได้ มาดูจิตดูใจต่อไปอีกก็เห็นเลยจิตใจเต็ไมไปด้วยของไม่เที่ยงจิตใจเราเที่ยงไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกไหมจิตใจเราเดี๋ยวสุขมเดี๋ยวทุกรู้สึกไหมจิตเราใจเราไม่เคยคงที่เลยให้เราคอยมารู้เท่าทันนะรู้เท่าทันร่างกายรู้เท่าทันจิตใจการที่เรารู้สึกในกายรู้สึกในใจได้นจิตใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราใจลอยลืมตัวเองโลภุ ด, ดุลถ้าเรียกว่าจิตสออกนอก ถ้าเราใจลอยเรามีกายเราลืมกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจเราไม่สามารถจะเห็นความจริงคือความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เั้นก่อนที่เราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้นะสิ่งแรกที่พวกเราต้องฝึกกันก็ฝึกฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัววิธีจะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไม่ใช่ยากอะไรหรอกเพียงแต่ว่าพวกเราไม่รู้วิธีมันก็เลยยากจิตของเรานั้นตั้งแต่ตื่นจนหลับนะนี้พิคิดตลอดเวลา นีไปคิดตื่นมาก็คิดนะถ้าเด็กหน่อยก็คิดไปอนาคตถ้าแก่หน่อยก็คิดไปอดีตอยงนะี้ไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดตื่นนอนมานะใจเราหนีไปคิดปุ๊บรู้ทันทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากความคิดนะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธินั้นมีสองชนิดสมาธิชนิดแรกเนะี่ย อย่างที่เล่าให้ฟังในการทําสมะถะกรรมฐานจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขอันนั้นได้แต่ความสุขความสงบสมาธิอีกชนิดหนึ่งก็คือจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สมาธิชนิดนี้สําคัญมากครูบาาจารย์แต่ก่อนนะท่านพูดถึงจิตที่มีสมาธิแบบรู้เนื้อรู้ตัวว่าว่าเป็นจิตผู้รู้เราต้องมาฝึกให้จิตนั้นเป็นผู้รู้ให้ได้ไม่ใช่ผู้จิตผู้เนื้อผู้ปรุงผู้แต่งวิธีการที่จะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้นะ ง่ายๆเราเคยพุดโธเราก็พุดโธเคยรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจเคยดูท้องฟองยุบเราก็ดูท้องของยุบไปเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ปรับวิธีรู้แต่เดิมเราทําสมถะทําความสงบจิตนะเราน้อมจิตเราไปรู้ลมหายใจเราก็น้อมจิตให้ไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ให้หนีไปที่อื่นอันนี้จะได้ความสงบแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วเราค่อยรู้ทันจิต หายใจไปรู้ทันจิตไปเช่นหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจรู้ทันถ้าเราหายใจไปแล้วเรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปหลวงปู่เรียกว่าจิตออกนอกจิตไหลไปคิดก็จิตออกนอกจิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็เรียกจิตออกนอกจิตมันเคลื่อนไปไม่ตั้งมั่นทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่น ขึ้นมาอัตโนมัติจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้เนึกผู้ปลุกผู้แต่งหรือเรามหัดพุดโทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธนะจิตนี้ไปคิดรู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตช่วจะตั้งมั่นขึ้นมาเนี่เป็นวิธีฝึกให้ได้สมาธิอย่างที่สองถ้าสมาธิอย่างแรกเอาไว้พักผ่อนสมาธิอย่างที่สองเอาไว้เจริญปัญญาและเวลาจะเจริญปัญญาเนี่ยจิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาตดสภาวะที่จิตตั้งมั่นเนี่ย จิตใจรู้เนื้อรู้ตัวอย่างพวกเราตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเราลืมกายลืมใจของเราเนื้อออกไหมเรามีร่างกายแต่หมดแต่สนใจหลวงพ่อเราลืมตัวเราเองแล้วเรามีจิตใจนะจิตใจฟังหลวงพ่ออยู่เนี้ยจิตใจเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์จิตใจเราจะดีจิตใจเราจะร้ายเราดูไม่ออกเลยอย่างนี้เรียกว่าเราลืมตัวเองนั่นเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้รู้เนื้อรู้ตัว วิธีฝึกก็คือคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปเพ่งจิตจนนิ่งนิ่งรู้ทันหายใจไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดอะพอให้รู้ทันจิตเท่านั้นเองจะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตก็ต้องดูจิตนะ เพราะว่าก่อนที่จะเจริญปัญญาได้นะเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสักก่อนงั้นบางคนบอกว่าไม่ชอบดูจิตจะดูกายดูกายเอาอะไรไปดูดูกายก็เอาจิตไปดูนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปดูกายแล้วก็จะตายเป็นเพ่งกายไปเป็นสมถะรรมฐานอีกไปรู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่กับลมหายใจงั้นตัวที่แตกหักเลยนะว่าเราจะมีโอกาสได้มากฝันนิพพานในชีวิตนี้หรือไม่ อยู่ที่ว่าเราสามารถฝึกจิตจนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลขึ้นมาได้หรือไม่วิธีฝึกก็ง่ายๆอย่างที่บอกนะทากรรมฐานแม้สักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่พวกเราคุ้นเคยแต่ทำกรรมฐานแล้วไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่งทำกรรมฐานเพื่อจะรู้ทันจิตที่มันหลงไปมันไหลไปมันเคลื่อนไปเมื่อไรรู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา หลงไปได้นะไหลไปได้ทั้งหกช่องทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแต่ถ้าเราเรียนทั้งหกช่องเนะีย่ยจะดูจิตไหลไปทั้งหกช่องเนะ่ะเรียนยากเอาทางใจอันเดียวก็พอจิตหลงทางใจเนี่ยมีบ่อยที่สุดหลงทางใจเนี่ยหลงไปคิดก็ได้หลงไปเพ่งก็ได้นะส่วนใหญ่ของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้นั่งสมาธินะก็จะหลงไปคิดงั้นพวกเราคารวะทั้งหลายนี่แหละคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดมันเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุด อาจพุทโธพุทโธพุทโธจิตหลงไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหลงไปคิดรู้ทันถ้าพระถ้าชีอะไรนี่นั่งสมาธิมากจิตชอบเพ่งพอนั่งที่ไรเพ่งทุกทีให้รู้ทันว่าจิตไหลไปเพ่งเวลาจิตไปเพ่งลมหายใจแนะจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาไปเพ่งท้องจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งเท้าจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่เท้าให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกัน เราสาหรับพวกญาติโยมทั้งหลายนะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดคิดทั้งวันเลยคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกวันทันทีที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเราพร้อมแล้วที่จะเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นปัญญามีสามอย่างปัญญาอย่างแรกปัญญาจากการฟังการอ่านอย่างมาฟังหลวงพ่อเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอะไรนะ ฟังครูบาอาจารย์เทศอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรต่ออะไรปัญญาจากการอ่านจากการฟังมันเป็นปัญญาของคนอื่นไม่ใช่ของเรานาะเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์ท่านมาเล่าให้ฟังท่านนี้เราก็ได้แค่จำไว้ไม่ใช่ปัญญาของเราเองยังล้างกิเลสไม่ลงะปัญญาอย่างที่สองเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาอย่างแรกเขาเรียกสุตตามยภพปัญญาจินตามยปัญญาคือปัญญาจากการคิดเอา ปัญญาจากการคิดเอาเนี่ยพวกเราเวลาคิดนะเราจะคิดแบบเข้าข้างกิเลสนะเวลาเราคิดนิารณาสิ่งต่างๆนะเราจะคิดเข้าข้างตัวเองเข้าข้างกิเลสเรื่อยๆปัญญาจากการคิดมันเลยยังล้างกิเลสไม่ได้จริงส่วนมากเป็นเครื่องมือของกิเลสซะด้วยซ้าไปปัญญาอย่างที่สามนี่แหละที่จะสู้กิเลสได้นเรียกว่าภาวนาเมญปัญญาปัญญาจากการเจริญสติเจริญปัญญามาดูความจริงของกายมาดูความจริงของจิตใจนะ งานของเราไม่มีอะไรมากงานเจริญปัญญาเนี่ยคืองานมาดูความจริงของกายมาดูความจริงของจิตใจวิธีจะดูความจริงของกายของใจนะขั้นแรกก็ให้ใจมันอยู่กับเนื้อกตั ว, ตวไม่ลืมกายลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยแล้วเราก็นั่งอะไรอย่างเนี้นั่งอยู่แล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวก็คันใช่ไหมใครนั่งแล้ว ย, ยังไม่คันเลยมีไหมนั่งแล้วเดี๋ยวก็คันคันแล้วเราก็เกานั่งแล้วเมื่อยเมื่อยแล้วเราก็ขยับ ตลอดเวลาที่ผ่านมานะเราก็ขยับตัวอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นต่อไปนี้เราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนั่งไปก่อนนั่งไปแล้วมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะรู้ทันลงไปเลยร่างกายมันปวดมันเมื่อยนั่งไปแล้วมันคันขึ้นมารู้ทันลงไปว่าร่างกายมันคันแะร่างกายมีความทุกข์บีบคันแะพอรู้แล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือจะเกาหรือจะอะไรก็ไม่เป็นไรนะขอให้รู้ซะก่อนกันที่เราคอยรู้ซะก่อนมาเห็นร่างกายมัน เกิดอะไรขึ้นในร่างกายเราคอยรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปได้เราจะเห็นในในร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแค่เราหายใจนะหายใจก็เป็นทุกข์นะลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกคนลองหายใจออกอย่าหายใจเข้านะลองหายใจออกสิทุขหรือทุกข์ทุกข์นะเราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์เอาหายใจเข้าไปหายใจไปเรื่อยอย่าหายใจออกนะ ทุกไหมแปบ๊บเดียวก็ทุกแลเวล้เราหายใจก็หายใจแก้ทุกนะเราเปลี่ยนอิริยาบถก็เปลี่ยนอิริยาบถแก้ทุกตลอดชีวิตเราก็ทําอย่างนี้มาตลอดแต่เราไม่เคยรู้เลยถ้าเรามามีสติอยู่ในกายเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี้มีความทุกข์บีบครั้นอยู่ตลอดเวลาเลยหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกยืนเดินนั่งนอนก็ทุกการที่เราเห็นทุกซ้าแล้วซ้ําอีกในร่างกายเนี่ยใจมันจะเริ่มเบื่อหน่าย มันจะคลายความยึดถือในกายนี้ก็ใส่นะจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยเป็นภาระมากเห ล, ลือเกินต้องดูแลตลอดเวลานั้นมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เดิมเราเคยเห็นแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษมีความสุขมากพอมหัดภาวนาเรารู้เลยว่ามันมีความทุกข์แต่เดิมเชคิดว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพอมหัดภาวนานนั้จะรู้เลยร่างกายมีแต่ความทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีสุขเลย หาใจออกนึกว่าจะสุขนะก็ทุกข์หายใจเข้านึกว่าจะสุขนะก็ทุกข์เนี่ยดูของจริงเข้าไปนะในสุดจะรู้ใจมันจะรู้เลยว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะเหมือนที่หลวงปู่ ด, ดูลนท่านสอนนะถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษนะใจมก็ปล่อยวางมันก็ไม่ยึดแล้วมันจะไปยึดทําไมของไม่ดีที่มันยึดอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่เห็นความจริงว่าร่างกายเราเป็นของไม่ดีจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยง เราดิ้นรนนานาชนิดนะเพื่อจะหาความสุขอย่างบางคนไม่มีแฟนก็อยากมีแฟนคิดว่าจะมีความสุขนะมีแฟนแล้วก็อยากแต่งงานคิดว่าจะมีความสุขแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกคิดว่าจะมีความสุขหาความสุขไปเรื่อยนะหาจนแก่หาจนตายนะหาไม่ได้จริงๆหรอกความสุขมันเหมือนจะอยู่ต่อหน้าต่อหน้าเราเนี่พอไล่มือเอามือไล่จับนะหลุดมือไปทุกครั้งไป ถ้าเรามาดูในใจเรานะเราวิ่งหาความสุขตลอดเวลาแต่ว่าความสุขน้ะสั้นสั้นนิดเดียวมีขึ้นมาแล้วก็ดับมีขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไปเนี่ยเราคอยมารู้อยู darum, ่ในใจของเราเนี้ยความสุขเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันรู้ไปได้นะสุดท้ายไม่เห็นว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวไม่มีหรอกความสุขถาวระความทุกข์เกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันต่อไปเราก็จะเห็นเลยไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรความทุกข์ก็ชั่วคราวเหมือนกัน กูสนเกิดขึ้นก็ชั่วคราวนะโรคกดหลงเกิดขึ้นก็ชั่วคราวเนี่ยเรามาดูในใจของเรานะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็ชั่วคราวเหมือนกันหมดเลยถ้าใจมันเข้าใจตรงนี้นะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเห็นแต่ความไม่เที่ยงในจิตใจนะเห็นแต่การบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันไม่ยอมสุขห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์สั่งให้ดีมันไม่ยอมดีนะห้ามชั่วมันก็จะชั่วไม่มีอะไรที่บังคับได้จริงเลย เนี่ยดูลงมาในจิตใจนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้เห็นได้ง่ายเลยดูในร่างกายไปได้เห็นทุกได้ง่ายนะดูแต่ทุกเยอะเลยแล้วดูจิตใจไนดะ้เห็นมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็มันก็ไม่ดีสั่งว่าอย่าไปคิดเรื่องนี้มันยิ่งคิดหนักเข้าอีกะเนี่ยเราไปดูของจริงนะเราจะรู้เลยจิตใจในี่เป็นของหน้าเอือมละอาเราหาความสุขมาให้มันแทบตายแนละ้วมันไม่เคยเต็มอิ่มเลยมันต้องการตลอดเวลามันหิวตลอดเวลาเลย ดูไปดูไปนะจิตใจนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยแต่ทั่งมันอยากนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิมีความสุขออกจากสมาธิความสุขก็หายไปแล้วความสุขก็ไม่เจี่ยงอีกแล้ ว, ลวกระทั่งความสุขของสมาธิยังไม่เจี่ยงเลยเรียกผู้มีปัญญามีสติมีปัญญามากเข้ามากเข้าก็าาจะเอื้อมระอากายนี้ก็น่าเอื้อมระอาจิตใจนี้ก็น่าเอื้อมละานี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเหมือนที่หลวงปู่สอนนะว่าถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เป็นโทษนะ เขาจะปล่อยวางของเขาเองไม่ใช่เราปล่อยเลยนะเราอยู่ๆลราไปสั่งจิตว่าอย่าไปยึดถืออะไรอย่าไปยึดถืออะไรสั่งไม่ได้แต่ถ้ามันเห็นทุกข์เห็นโทษเมื่อไหร่มันปล่อยของมันเองเั้นพวกเรานี่ยมาคอยรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกตัวอย่าให้ใจร่องรอยไปแล้วก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเรืไปคนไหนดูจิตใจได้ดูจิตใจไปเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วห ม, มุนเวียนไปเรื่อย วันไหนดูจิตใจไม่ออกก็ดูร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะดูมันไปเรื่อยร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายดูไปดูไปจะเห็นได้ร่างกายมีแต่ภาระนะมีแต่ทุกข์จิตใจก็มีแต่ทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยความสุขมาแวบเดียวหายไปแล้วดิ้นรนแทบตายเพื่อจะมีความสุขแล้วก็หลุดมือแวบไปแล้วนะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลย เนีเฝ้าดูลงมาในกายในใจอย่างนี้แหละนะเรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าเราเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแล้วว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเพราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือนะจิตจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นเราก็จะร well ู้เกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเป็นอิสระแล้วนะทุระอะไรทาง ในทางจิตใจไม่มีอีกแล้วเป็นอิสระขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่พวกเราพยายามเขานะพยายามถ้าวันไหนมันฟุ้งซ่านมากก็มาพุโทโธพุโทโธให้จิตมันอยู่กับพุโทโธมารู้ลมหายใจให้จิตอยู่กับลมหายใจให้ใจมันได้พักผ่อนได้สงบวันไหนจิตใจมันสงบดีแล้วก็อย่าสงบอยู่เฉยมาหัดเจริญปัญญารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไป ร่างกายมีแต่ทุกข์จิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ปล่อยของเขาเองไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้นะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตเป็นของเขาเองเมื่อปัญญาของเขาแก่รอบเรามีหน้าที่พาจิตให้ดูของจริงคือพัฒนาปัญญาไปเรื่อยนะวันไหนฟุ้งซ่านพัฒนาปัญญาไม่ได้ก็ทําความสงบวันไหนมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะ ก็ามาพัฒนาปัญญามาดูกายทำงานมาดูใจทำงานไปเรวยอะฝึกอย่างนี้นะไม่นานหรอกก็จะเข้าใจธรรมะขึ้นมาจิตมันยิ้มได้นะจิตมันยิ้มย่กิเลสได้โลวงปู ด, ดูลย์ทานเรียกว่าจิตยิ้มเวลาท่านภาวนากับท่านภนะาวนาท่านบอกว่าใครจิตยิ้มเนี่ยแสดงว่าเกิดใช้ได้ใช้ได้ จิตมันเยาะเยอยกิเลสจิตแต่เดิมเป็นธาตุกิเลสตลอดเวลาเลยถูกกิเลสจีกัวใช้ตลอดเวลาถูกความอยากย่ำยีอยู่ตลอดเวลานะมาพอนานจะเห็นความจริงของกายของใจนะจิตมันจะเบิกบานขึ้นมานะมันจะยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาจากภายใ น, นในเวลาที่เกิดมรรเกิดผลเลมันเห็นเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยกิเลสหลอกมาตลอดเลยต่อไปนี้หลอกไม่ได้แล้วรู้ทันแล้วจิตมันเยอะเยอยกิเลสเล้ซ้ำไปนะ ไม่ค่อยฝึกเฟังขนาดนี้พอไหม <c oughs> ไม่ยากนะไม่ยากหลวงปู่สอนหลวงพ่อมาประโยคแรกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อเนี่ยท่านท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตตนเองลูกศิษย์ท่านบางคนท่านก็ให้ดูไกาะหลวงพ่อคืนต้นๆเราก็ดูไกา ก็มาต่อเข้าจิต ท, ทีหลังกันเราจะดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้นครูบาอาจารย์สอนหลักไว้อันหนึง่งถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบทำสมถาถนะมีแนวรูปแนวรับของการปฏิบัติทําไปเด้วยวันหนึ่งมันต้องได้เฉยได้นคมไม่โง่แบบถาววอนวนะเนาะความโง่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะ ทุวันนี้เราสะสมกิเลสมานานสะสมความหลงผิดมานานข้ามภพข้ามชาติมานะมาหัดเจริญส ต, สติเจริญปัญญาสามวันเจ็ดวันหวังว่าจะได้มก็ยากหน่อย น, นะเนาะถ้าบารมีมันมากสะสมสติปัญญามามากก็ได้เร็วสะสมกิเลสมามากสะสมปัญญามาน้อยมันก็ได้ช้ายุติธรรมเป็นเรื่องของความยุติธรรมอย่างยิ่งเลยนี่พวกเราขณะนี้เราได้ฟังธรรมะแล้ว ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาสืบทอดกันมาสอนให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาดูกายดูใจทำงานไปเราก็มาหัดดูนะวันหนึ่งก็จะแจ้งขึ้นมาด้วยตัวของเราเองไม่ยากหรอกเ <sk ill> ท่านี้ก็พอนะบคนมากไกลมากเลยน่าสงสารากไกล <sk ill> ใ, ใครมีอะไรจะคุยไหมไม่มีเนาะจริงหรือเปล่า ไม่มีลองนั่งสมาธิดูเราลองปฏิบัติจริงจิดูเลยใครเคยพุโทโธก็พุโทโธไปใครเคยหายใจก็หายใจใจแต่ไม่เอาเคลิมไม่พุโทโธเอาเคลิมไม่หายใจเอาเคลิมนะพุโทโธด้วยความรู้สึกตัวหายใจด้วยความรู้สึกตัวให้มีความรู้สึกตัวสภาวะของความรู้สึกตัวนะใจมันรู้ตื่นเบิกบานใจมันจะเบาใจมันนุ่มนวลอ่อนโยน ไม่ใช่รู้แบบแข็งแข็งถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วใจมันแน่นขึ้นมาแสดงว่าทําผิดถ้าเรารู้สึกปฏิบัตินะมันหนักหนักขึ้นมาในใจมันหนักหนักะหนักขึ้นกลางหน้าอกเลยแสดงว่าทําผิดตึงเครียเกินไปการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วไม่ให้ตึงเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปหย่อนเกินไปก็คือหลงตามกิเลสหลงคิดหลงเลกหลงจงหลงแต่งไปลืมเนื้อลืมตัวไปนั่นหย่อนเกินไป ตึงเกินไปก็บังคับกายบังคับใจรุนแรงเกินไปเราไม่ให้หย่อนจนกระทั่งเผลอไปไม่ให้ตึงจนกระทั่งมันแน่นมันอึดอัดขึ้นมาให้รู้สึกตัวสบายๆรู้สึกตัวไปอย่างสบายๆไม่นั่งเอาเคลิมแต่นั่งเอาความรู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวได้เราถึงจะต่อเข้าขั้นการเจริญปัญญาได้ถ้าเคลิ้มเราเจริญปัญญาไม่ได้ เรานั่งอยู่จิตหนีไปคิดให้รู้ทั น, นะจิตไปเท่งนิ่งลงไปให้รู้ทันจิตนี้ไปคิดให้รู้ทันนะฝึกอย่างนี้ให้มากดวออกไหมเวลาจิตมันหนีไปคิดจิตมันหนีไปคิดให้รู้ทันนะแล้วก็รู้ไปให้สบายอย่าให้แน่นถ้าแน่นแล้วผิดอย่าให้ฟุ้งซ่านนะ่าให้เผลอลืมกายลืมใจ เรื้มใจเริ้มใจหย่อนเกินไปอึดอัดเกินไปก็แสดงว่าตึงเกินไปอย่าให้เคลิบ น, นะรู้สึกตัวทุกวันให้เราพยายามทํานะเหมือนที่ทําอย่างเนี้ยให้ได้วันหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทีได้บุญมากมายพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วนะเราก็มาฝึกต่อให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไป อย่างเวลาเราไปรู้ลมหายใจจิตมันก็เคลื่อนไปเกาะที่ลมหายใจให้เรารู้ทันเรารู้ทันจิตนั้นถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้อีกถ้ารู้ไม่ทันก็ถลําลงไปจมลงไปอยู่กับลมหายใจให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมารู้สบายๆ ส, สังเกตไหมว่าจิตมันไม่ค่อยนิ่งหลออกไหม ถ้าเราน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะหรืออยู่กับท้องอย่างเดียวจิตก็นิ่งจิตเก็สงบแต่ไม่เดินปัญญาถ้าเราหายใจไปดูท้องไปพุโทโธไปจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันเราจะได้สมาธิที่วิเศษที่สุดเลยสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมรู้ทันจิตนี้ที่คิดรู้ทัน ต, ตัวนี้ให้ได้นะใหชำนาญเวลาจะออกจากสมาธินะหายใจแรงขึ้นนิดนะอย่าไปดึงจิตออกมานะหายใจให้แรงขึ้นหน่อยนะค่อยๆรู้สึกค่อยๆรู้สึกนะแลหายใจให้แรงขึ้นหน่อยแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเดินนะหายใจแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมานะ ใครรู้สึกว่าพอลืมตาขึ้นมาแล้วจิตซึมไปบ้างถ้าพอเราลืมตาขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าจิตมันซึมๆนะแสดงว่าตอนที่เรานั่งเนี่ยเราน้อมจิตไปให้ซึมจิตไม่ได้รู้ตัวจริงแล้วหายใจแล้วเราถอยออกมาแล้วจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเราตั้งมั่นอยู่ได้แสดงว่าตอนที่เรานั่งเนี่ยเรานั่งถนะูกต้องจิตเรามีสมาธิมีสติดีมีความตั้งมั่นดีแต่ถ้านั่งเราเคลิมนะ แล้วออกจากสมาธิมาก็ติดความเคลิ้มออกมาจะได้ใช้ไม่ได้จะต้องไม่มีให้ติดออกมาเลยนะเราลองหายใจแรงๆลืบตาขึ้นหายใจแล้วพ่นออกทางปากก็ได้สบายๆนะแล้วรู้สึกตัวบางคนแถมเห่าด้วยพอรู้สึกแล้วไม่เลิกนะ เพอเราออกเข้าสมาธิพอสมควรแล้วนะเราถอยออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกไปร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นไหมถ้าใจเราตั้งมั่นพอนะเราจะเห็นเลยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ค่อยๆหักอย่างนี้นะจิตซึ่งมันตั้งมั่นไม่อ่อนไปไม่ตึงไปนะมรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ดีแล้วเนี่ยพอเราถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกไม่ซึมด้วยไม่เครียดด้วยไม่ซึมด้วยไม่ฟุ้งซ่านด้วยเราก็มาเรียนรู้เอาจิตอย่างนี้แหละมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมาดูลงที่ร่างกายเห็นน่างกายมันนั่งอยู่มันไม่ใช่เรานั่งแล้วเห็นร่างกายหายใจอยู่มันไม่ใช่เราหายใจแล้ว ร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจไม่ใช่เรานั่งไม่ใช่เราหายใจค่อยๆดูนะค่อยฝึกไปแล้วถ้าเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาก็ดูไปความสุขความทุกข์เป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราเหรอกถ้าเกิดโลภโกรธหลงขึ้นมาเช่นฟังหลวงพ่อพูดประตัวนี้บางคนงงแะให้รู้ทันความสงสัยเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราสงสัยหรอก ไห้หัดดูไปเรื่อยนะจนเห็นสภาวธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนมามธรรมนะมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขาเราจะเห็นได้ถ้าจิตของเรามีสมาธิชนิดตั้งมั่นพอสมควรแล้วเงี่นกลับบ้านไปเนี่ยไปฝึกทุกวันต้องซ้อมะวันไหนฟูงซ่านทําความสงบพุโทโธพุโทโธให้จิตอยู่กับพุโทโธหายใจให้จิตอยู่กับลมหายใจวันไหนมีเรี่ยวมีแรงดีแล้วนะไม่ให้ใจเคลิบ นั่งพุโทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันแล้วคอยรู้เนื้อรู้ตัวไม่ให้ตึงเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปพอรู้เน้รู้ตัวสมปวดแล้วนะก็ะค่อยๆทําความรู้สึกขึ้นมา้เห็นร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันเห็นความสุขความทุกข์กับจิตใจเป็นคนละอันกันเห็นกิเลสกับจิตใจเป็นคนละอันกันอย่ยงเรานั่งสมาธิมีความสุขเราก็ดูลงไป จะเห็นว่าความสุขกับจิตใจเป็นโคลานความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าท่านเองนะฝึกอย่างนี้นะเรียกว่าการที่หั่นแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแยกธาตุแยกขันธ์นะครูบาอาจารย์บางที่ท่านเรียกแยกธาตุแยกขันธ์อาจารย์มหาบัวบคนแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นเดี๋ยวมาคุยกับเราเลยว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญปัญญาหรอกทําแต่ความสงบอย่างเดียว ยังต้องหัดแยกธาแยกขันธ์นจะแยกได้ถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมานี่นเป็นเรื่องสำคัญมากนะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นให้ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วก็การภาวนาจะง่ายจะดูกายก็ เ, เห็นกายไม่ใช่เราจะดูความสุขทุกข์ก็เห็นว่าสุขทุกข์ไม่ใช่เราจะดูจิตดูใจก็ เ, เห็นจิตใจไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราที่ไหนเลยดูไปไม่นานนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอนะไรนี้ยเดี๋ยวก็เข้าใจขึ้นมา ไปทำเอานะสมควรก่วเวลาแล้วดึกนันกเดี่ยวกลับบ้านยาก